ต่อนนี้ไปเดี๋ยวพูดอะไรให้ฟังเล็กน้อยดียวคอยอ่อยรับพรวันนี้เป็นวันประสูตรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยนะสมเด็จยาณสังบรคณะสงฆ์เขามีหนังสือเวียนมาทั่วทุกวัด ให้มีการสวดม น, นต์เย็นทำวัดเย็นและก็สวดพระปริตตมงคลเพื่อถวายพระกุศลต่อสมเด็จพระสังฆราชวันเย็นวันนี้ก็พอดีเป็นวันพระของพวกเราด้วยก็คงจะไหวพระสวดมนต์แล้วก็ถวายกุศลพระองค์อายุ92ปีปีนี้เกิดหลังหลวงตาหลวงตาเกิดเตือนสิงหา วันที่12สิงหาแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชเกิดวันที่สามตุลาเป็นวันเกิดของประสูตรของสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นคณะสงฆ์มหาเทรสมาคมมีหนังสือเวียนไปทั่วทุกภาควันนี้ตอนเย็นวันนี้คงจะมีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นพระกุศลในวัน ประสูตรของพระ อ, องค์นี่เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเป็นวันพระใหญ่และอีกไม่นานก็เป็นวันออกพรรษาแล้วเนี่ยขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเดเนี่ยวันพระใหญ่หน้าเนี่ยก็ใช่อีกสิบห้าวันจากนี้ไปเป็นวันออกพรรษาเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลห้าอย่าให้ขาดตกปกพ้อง นี้กัจวนจะออกพรรษาแล้วพยายามสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานั่นแหละแล้วนี่กัจวนออกพรรษาฝ่ายพระสงฆ์ก็คําประวัรณาออกพรรษาก็พยายามเรียนเอาไว้อย่าให้ขาดตกบกพร่องคําประวารณาออกพรรษาพระท่านก็ได้เรียนอีก แบบหนึ่งเหมือนกันเนะี่ยประวารณ์นาสาหรับพวกญาติโยมก็นี่แหละอย่างที่หลวงพ่อพูดเกินเบื้องต้นนั้นอนะ่ะช่วยกันมาพัฒนาดูแลวัดถตนนโน้ น, นทางเรื่องการกระถินของพวกเราเนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เนยะวัดของเราเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องกระถินนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เรื่องภายนอกนะแต่ถึงยังไงก็นี่แหละ เราจะทําสิ่งไหนไปก็เพื่อบุญเพื่อกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรา น, นี่ยแหะไม่ได้ทําเพื่อใครอื่นถ้าว่าเราทําชั่วกรรมชั่วก็จะต้องเข้ามาหาใจของพวกเราเหมือนกันถ้าเราทําดีบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราเหมือนกันเพราะนั้นการที่สั่งสมบุญกุศลเนี่ยการสั่งสมเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของพวกเรา อนาคตวันต่อไปภายภาคหน้านั่นแหละถ้าคำว่าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่สั่งสมเอาไว้เราอาจจะตกทุกข์ได้ยากอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์วันหนึ่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นเห็นคนเห็นการเป็นอยู่ของสองตายายพอท่านเห็นท่านแย้มพระโอษฐ พระอ น, นุนกราบทูลถามออบอกว่าเนี่ยคนสองคนเนี่ยสองตายายเนี่ยถ้าหากว่าดํารงคงเสียบให้ดีกว่านี้เขาจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่บัดนี้เขาเสื่อมทั้งสองอย่างทั้งอริยทรัพย์ทั้งทรัพย์โลกิยาทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกด้วยโลกุตระทรัพย์คือทรัพย์ภายใน เขาเสื่อมทั้งสองอย่างคือสาเหตุก็คือสองตายายเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีทั้งคู่ทั้งฝ่ายสามีเนี่ยกับมีทรัพย์ถึงแปดสิบโกดมีลูกชายคนเดียวทั้งฝ่ายผู้หญิงกับมีทรัพย์แปดสิบโกดมีลูกสาวคนเดียวแต่ว่าพ่อแม่นี่ยรักลูกทั้งสองมากทั้งสองตระกูลเนี่ยทั้งฝ่ายผู้ชายเนี่ยกับ ไม่ให้ลูกทําอะไรเลยว่างั้นเถอะไม่ให้รู้จั ก, จกไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมีแต่แต่ละวันเนี่ยพยายามสอนดนตรีให้ล่องลำขับร้องให้อ่มีแต่สนุกสนานไม่ได้สอนอย่างอื่นอา่พาพ่อความรักนี่แหละความรักอย่างตัวเนี้ยทาให้ลูกเสียหายได้เหมือนกันนะรักไม่ลุดไม่ถูกที่ถูกทางาการรักลูกมันก็ต้องสอนวิชาชีพให้แก่เขามื่จึงจะถูก อันนี้รักโลกไปสอนสนุกสนานให้เขาเทั้งฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันมีแต่ให้ลูกสาวแต่งตุนแต่งตัวล่องลำขับพร้องออโดนตีมีบริษัทบริวาลห้อมล้อม เ, ออเรื่องธรรมาค้าขายบัญชงบัญชีกิจการร้านค้าการได้มาการจ่ายไปขอเงินไม่ได้สอน พอต่อมากับพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเขาก็เลยจับแต่งงานกันพอแต่งงานกันอยู่กินกันแล้วก็มีครอบครัวสรุปแล้วก็ทั้งฝ่ายพระไอ้ทั้งฝ่ายผู้ชายเนี่ยมีถึงแปดสิบโกดทั้งฝ่ายผู้หญิงกับแปดสิบโกดโกดหนึ่งกับสิบล้านอนะ่ะเอาสิบล้านคนูณแปดสิบก็ไปทีเป็นเท่าไหร่เหมือนน่ เป็นเงินเท่าไหร่มันไม่ใช่น้อยนะถ้าเรารวมกันเป็นสองคนร้อยหกสิบโกรธบอกเงินมหาศาลแต่นี้ก็ต่อมาวันหนึ่งเศรษฐีหนุ่มเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพอลงมากลับมาเห็นพวกนักเรงสุราเขาดื่มเหล้ากันเขากินเหล้ากันอ้อะเล็ดอร่อยก็เลยเดินผ่านมาตัวเองก็คงจะหิวบ้างพอไปเฝ้าพระราชาลงมาก็เลยถาม ลูกน้องที่เดินตามหลังตัวเองเน่ะเอ๊ะเขากินอะไรทําไมอะร็ศอร่อยนักไอ้ลูกน้องอ่ะเป็นลูกน้องคล้ายๆว่าคอเล่าเหมือนกันว่า ง, งั้นเถอะบอกโอ้นี่หละน้ําเลิศประเสริฐสีแหละเจ้านายเนี่ยทําใครไม่ได้กินอย่าพึ่งตายน้ํามานี่ว่า ง, งั้นนะส่งเสริมเจ้านายอีกต่างหากว่า ง, งั้นเถอะเจ้านายก็เอเป็นน้ําอะไรโอ้อร่อยมากเออกินเข้าไปแล้ว ดีจริงๆว่างั้นน่ะเงินบรรยาอีกต่างหากว่างั้นน่ะลูกน้องน่ะลูกน้องไม่ดีเป็นอยังงั้นน่ะส่งเสริมให้เจ้านายเสียว่างั้นเถอะแต่นี้เจ้านายเอาออกมาลองเลยสิว่ามเขาก็คงจะเตรียมเล่าอย่างดีๆแล้วงั้นเถอะเออีิวัสดกลมกล่อมอะไรดีที่สุดแล้วงั้นเถอะแล้วก็เตรียมอาหารกับแก้มอย่างดีอีกว่างั้นเถอะอพอกินเข้าไปโหเจ้านายติดใจใหญ่เลยทีนี้ อพอติดใจใหญ่เนี่ก็ต่อมาก็กินระมัดระวัง ต, ต่อมา้มันกินเข้ากินเข้าก็ตั้งวงใหญ่ขึ้นมาถึงเศรษฐีเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันใจใหญ่ท่านเนี่ยพอกินเหล้าเข้าไปแล้วก็ทั้งสุราทั้งนาลีทั้งพาซีเนี่ยออทั้งนาลีด้วยทั้งการพนันด้วยมันเข้ามาด้วยกันได้บาทเลยมาลมมาตุ่มเข้ามาเลยจ่ายเงินไม่อั้นบาทเลยไม่นาน เงินแปดสิบโกดเกลี้ยงบอกเอา้าของแม่บ้านมีอยู่เอาของเมียเอามาเอามาอีกถลุงออกหมดอกอกต่อมากขายที่ขายทางมีทท่ไหรขายหมดป่านนี้ขายกรทั้งบ้านตัวเองบ้านอยู่อาศัยก็ขายผลที่สุดเขาซื้อไปหมดแล้วหายไม่มีเงินจะให้ค่าหนี้เขาเขาก็ไล่ลงจากบ้าน พอได้ลงจากบ้านสองตายายกันนี่แหละได้ถือถ้าทุกวันนี่ก็คงจะถือโมอโลมัง้งถือขันเหมั้นกัะเถอะถือขันไปหาขอทานกินบัตร น, นี่นั่นแ่ะสูงสุดๆและก็ต่ําสุดๆถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คงจะไม่มีเป็นนิทานเหมือนกันแถอะคงจะไม่เป็นชาดกมาให้พวกเราได้ยินอย่างเคงจะเป็นนิทานมาเป็นตัวอย่าง น่าสยดสยองอย่างมากางั้นเงิน160ร้อยหกสิบโกดเอาถลุงยังไม่ตายหลวงพ่อในสหาขอทานกินเถนี่สองตายยายหนึ่งอย่างดีถ้าไม่แยกกันคงจะเป็นคู่หูกันคงจะอาจจะทะเลาะกันก็นไม่รู้เราว่างั้นเถอะเพราะเราเกิดมาเกิดมาสุดท้ายภายหลังเขาจะทะเลาะกันอยู่ก็ไม่รู้แต่ทะเลาะไม่รู้จะไปที่ไหนเหมือนกันมาด้วยกันไปด้วยกันเรา ว, ว่างั้นะ ท่านไดกัไปขอข้าวอาหารจากพระสงฆ์เถิดเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตชานอาหารเสร็จแล้วก็ณีแหละมารับทานพระสงฆ์กับแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งให้คนพอคนขอทานมันมากพวกใครไปประเทศอินเดียจะเห็นน่ะมันมากขนาดไหนว่างั้นเถอะในยุคสมัยนั้นก็คงจะมากเหมือนกันนั่นแหละคนมันมากท่านก็แบ่งแบ่งแบ่งให้พระพุทธเจ้าไปเห็น ไปเห็นสองตายายดือยืนเรียงคิวเขาเพื่อรับอาหารพระพระพรุทธองค์แย้มพระโอสตามปกติพระพุทธเจ้าจะไม่แย้มพระโอสถนะไม่แย้มพระโอสถไงถ้ามีเหตุจริงๆ เ, เหตุที่สะดุดพระไทยจริงๆ เ, เห็นบุปกรรมของสัตว์จริงๆพระพุทธองค์จึงแย้มพระโอสถพอแย้มพระโอสถแล้วก็จะได้เทศนาชี้แจงเหตุผลว่าเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนี้พอท่านเห็นสองตายาย ยืนเรียงคิวรับอาหารขอทานเขากับข้าวก้นบาดข้าวเศษบาดของพระสงฆ์ที่พระสงฆ์จะแจกเหมือนั้นเถอะพระพุทธองค์ก็แย้มพระโอษฐ์พอแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็ถามว่าพระพุทธองค์พระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์ยิ้มยิ้มด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าค่ะตามปกติถ้ามีเหตุซะก่อนพระพุทธองค์จึงยิ้มเหมือนั้นเถอะเห็นบุพกรรมของเขาพระพุทธองค์บอกว่าเห็นไหมอานนท์ สองคนตายายอายุแก่มากแล้วเนี่ยมายืนเรียงแถวนะเพื่อรับทานมารับของทานของพระสงฆ์คือข้าวก้นบาตถ้าหากว่าเขานะดำรงคงชีพรักษามรดกของพ่อแม่ของเขาไว้ทั้งสองคนของเขาเนี่ยคนละแปดสิบโถดน่นนะสคนร้อยกโถดถ้าเขาดําเนินกิจการ อย่างดีเขาจะเป็นเศรษฐีในเมืองนี้เป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้ในเมื่อเขาออกบวชเมื่อสละกิจการของเขาแล้วเขาออกบวชเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์พัญญาของเขาจะได้พระอนาคามีแต่ถ้าว่าเขาประกอบกิจการในเมื่ออายุวัยกลางคน เขาจะเป็นเศรษฐีระดับกลางแต่เขาจะได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีแต่พัญญาของเขาจะได้เป็นพระสกทาคามีแต่ถ้าว่าเขาดํารงกิจการในปัจฉิมยามคือเมื่ออายุแกแ่เขาจะได้เป็นพระสกทาคามีส่วนพัญญาของเขาจะได้เป็นพระโสดาบันแต่บัดนี้เขาเสื่อม ทั้งลาบทั้งโลกียะทั้งโลกุตตะทั้งโลกุตตะทั้งโลกียะหมดสภาพเหมือนกับนกกระเรียนแก่ไปอยู่ในเปลือกต้มอันแห้งจะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะการกระทาของตนเองสมัยเป็นหนุ่มไม่ได้คิดอ่านไตรตองเหตุและผลไม่ได้คิดว่าอนาคตของตัวเองเป็นยังไงมีแต่การดื่มการกินจนไม่ได้คิดได้อ่าน แล้วทีนี้เป็นยังไงนี่แหละผลเสื่อมทั้งโลกุตละที่จะได้มักได้ผลโลกียะก็เสื่อมจนไม่มีอันจะไม่มีอันจะกินเพราะตัวเองทําให้ตัวเองแท้แท้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราพุทธบริษัทแต่ท่านมาได้ดูถูกเกียดตยามคนนั้นนะใครเา่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้พวกเราอยู่เบื้องหลังให้ศึกษา ถ้าว่าพวกเราขี้เกียจขี้คลานอ่อนแ อ, อไม่ทำการทำงานมีแต่เที่ยวแต่เตีเยแต่เล่นอนาคตของเราจะเป็นยังไงกระย่างนั้นอะอดีตไม่ตั้งใจปัจจุบันไม่ใส่ใจอนาคตจะเป็นยังไงนี่แหะอดีตไม่ข้นขวาย อดีตไม่ตั้งใจทำการทำงานปัจจุบันก็ไม่ค้นขวายก็ไม่ต้องทายอนาคตอนาคตต้องยากจนแน่ๆอันนี้ก็คือสำหรับคราวาสสำหรับพระก็เช่นเดียวกันสมัยเป็นหนุ่มไม่ตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติปล่อยปาะละเลยไปร่ำเวลาเมื่อเท่าแก่ชรามากมันก็เป็นอย่างนี้นะขาดอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ทั้งโลกียะทั้งโลกุตละอย่าให้ขาดเหลือขาดตกบกพร่องพยายามสั่งสมบุญกุศลเอาไว้และกภายนอกอย่าให้มันเสียพยายามเก็บหอมรอมลิบพยายามหมั่นขยันอดทนพยายามสาะแสแวงหาทรัพย์สำหรับคารวาดญาติโยมสำหรับพระกุมเนื้กั น, กนสำหรับพระท่านไม่ให้สาอแสแวงหาทรัพย์นะท่านให้ส่แสวงหาธรรม เอาทำเข้าสู่จิตใจศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเข้าสู่จิตใจนั่นแหละเมื่อจิตใจของเราได้รับมรรปลบผลแล้วทีนี้นั่นแหละย่อมร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราปล่อยปละละเลยก็อย่างเป็นเศรษฐีนั่นแหละอ อ, อายุแก่เท่าชรามานกกระเรียนพวกเราไม่เคยเห็นหรอกถ้าเปียกเทียบว่านกกระยาง นกกระยางไปอยู่ในเปลือกตมมันแห้งนกกระยางแก่ไม่ใช่นกกระยางหนุ่มเลยนกกระยางแก่ไปอยู่ในเปลือกตมมันแห้งเปลือกตมมันแห้งก็คืออยู่ในหนองแห้งอางั้นเถอะเวลาเห็นตะกระแตนมากระโดดอยุ้ยทุๆวิ่งทั้งล้มทั้งลุกทั้งคุกทั้งคานพอมันวิ่งเร็วกว่าไม่ได้มันแก่ว่างั้นเถอแต่ปลามันก็ไม่มีแล้ว อ, อมีแต่เขียดกระโดดปอกกระโดดไล่ตะคุบเขียดก็หลบลงซะ เอาไปมา ก, กันนี่ยนะจ้องจองมองมองอยู่งั้นจะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะมันแก่เพราะฉะนั้นเราต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าเราจะต้องแก่อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่ต้องวางแผนอนาคตของตนเองไว้นะพวกเราท่านทั้งหลายจึงเป็นผู้ไม่ประมาทท้งนี้ทางนั้นก็คือหลวงพ่อกล่าวสอนก็คือใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเรามอง มองให้ไกลมองให้รอบข้างมองให้รอบด้านอย่าไปมองหน้าเดียวอย่าไปมองสั้นสั้นมองให้ไกลถ้ามองไกลแล้วย่างที่ว่านี่นะสิ่งไหนควรจะเตรียมพร้อมทางด้านธรรมะเราก็ไม่ประมาทชีวิตของพวกเราเราจะ อ, อยู่นานสักเท่าไหร่ถ้าว่าเราจะออกไปจากชาตินี้เราจะไปที่ไหนตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิด เกิดอีกในเมื่อเราเกิดอีกเราจะไปเกิดที่ไหนเราไม่ได้เตรียมพร้อมนในเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วนั่นแหละเราจะไปเกิดในสถานที่ใดก็ไปได้ด้วยบุญด้วยกุศลของพวกเราเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมาให้ประมาทอย่าประมาทนะชีวิตของพวกเราน้อยนักไม่รู้ว่าจะไปในวันไหนไม่รู้จะหล่นวันไหนไม่รู้จะตายวันไหนไม่รู้จะจากโลกนี้วันไหน เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทั้งทางโลกทั้งทางธรรมพยายามอย่าให้ขาดตกบกพร่องใครอยู่ในหน้าที่อันไหนก็ทําให้ดีที่สุดในหน้าที่อันนั้นเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเหนื้อเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็พยายามทําหน้าที่ของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าให้ดีที่สุด ในเมื่อเราเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดดูแลดูแลพ่อแม่ดูแลผู้เกี่ยวข้องทำหน้าที่อย่าให้ขาดตกบกพร่องสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าลิทำทำไปแล้วมันเดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นนะถ้าว่าเราทำไม่ดีนั่นเวลาเขาจับเข้าคุกเข้าตารางนะ่ะใครเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนเป็นอันดับแรกต่อมาก็พ่อแม่เดือดร้อนแล้วทีนี้ พอเหตุใดก็เพราะว่าตัวเองทําไม่ดีเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมในสิ่งที่มันดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นอ่ะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความครบเห็นเป็นสุขถ้าปฏิบัติตั ว, ตวถูกต้องนะถ้าว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องแล้วมีแต่ความเดือดร้อนนะจะตามมาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรนะ น, นักตนีนะอนุโมทนาให้พร